แล้วก็กลดต่อไปว่าเนี่ยังขายก็เป็นทุกอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเป็นแม่คิดนะว่าการที่อ่าการที่จะโปรดให้คนในี่ในบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยพระองค์ก็เห็นว่าต้องช่วยให้เขารับความผิวเสียก่อนชายพวนั้นนียังหิวอยู่เลยนะแต่ว่าด้วยศรัทธาก็มากราบพระเจา้าแต่พระองค์ก็รู้ดีว่านะถ้าท้องยังหิวเนี่ยนะจะฟังธรรมก็คงจะไม่ ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หรือว่าฟังได้ไม่ไม่ดิบพรองก็แเลยให้เขากินข้าวซะก่อนกินข้าวเสร็จเนี่ยพอความหิวมันหายไปแล้วนะใจก็ค่อยๆพร้อที่จะเปิดรับความทำพอพวกแสดงทำเข อ, อก็บรรลุธรรมทมันทีอันนี้ก็แสดงว่าการกับใจา ก, ก็สำคั ญ, ญกันนะจะเรียนรู้ทำจะจะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะไอการการกินเนี่ยเพื่อมาบัดความหิวก็มีความสําคัญมากเรื่องนี้ก็ ค, คล้ายๆกับเรื่องของอ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 สัพพยาคือสบายแต่สบายะที่นี้หมายถึงว่าเพื่อพูนต่อการปฏิบัติไม่ใช่สบายแบบสมัยนี้นะสายนี้มันสบายแล้วก็เลยไม่ทําอะไรเลยแต่สัพพายาเนี่ยเป็นความเพื่อพูนเพื่ อ, เ, อเพื่อเพื่อสะสมการปฏิบัติสัพพยาด้านหลายด้านก็ได้แต่ด้านเสนาสนะที่พักด้านอาหารนะรวมทั้งผู้คนแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมนี่ก็สําคัญนะรวมทั้งการกินอาหาร